ผมจะเล่าประวัติเรื่องความเป็นเมืองแต่ตเฉพาะของผมครับแต่บอกคนคนอื่นนั้นจะเป็นอย่างไดผมไม่โฮครับไม่เข้าใจผมไปปฏิบัติธรรมะผมไม่รู้สิ่งสิ่งที่ผมรู้ก็มีมีมากครับสิ่งที่ผมไม่รู้ก็มีครับคือผมไม่รู้เรื่องวิปัสสนุตอนที่ผมรู้ธรรมะ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 ปัญญาเกิดขึ้นทีแรกที่สุขและมันเกิดที่ปัจจุบันพอดีปัญญาที่มันเกิดขึ้นนั้นคือผมรู้เรื่องรูปน้ําเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตาเรื่องศาสนาเรื่องพุทธศาสนาเนี้ผมหมดจริงๆครับผมไม่มีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อมันรู้อย่างนี้คือมันมันเกิดความรู้สนิดหนึ่งผมไปภูมิใจกับความรู้ที่มันเกิดขึ้นมานั้นครับ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 มาติดเนื้อติดตัวเราเราเลยไม่รู้เราเลยไม่เห็นสิ่งที่สุขปกเหล่านั้นเราก็เลยล่างไม่เป็นครับ <c oughs> คำว่าล่างไม่เป็นนี่คือโบเห็นข่มคิดครับมันรู้มันโบเห็นก่มคิดมันเข้าไปในข่มคิดมันข่มคิดเหล่านี้ครับมันคิดเข้ามาแล้วหอบเข้าไปในข่มคิดมันก็เลยออกจากข่มคิดโบได้เมื่อออกจากข่มคิดโบได้มันก็เลยพาเราลูบไปครับอันนี้เป็นวิปัสสนาครับ อันนี้วิปัสสนูวิธีที่แก้นั้นผมเราไม่เห็นควมคิดเมื่อมันคิดปุ๊บผมเห็นปับ๊บมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บอย่างนี้ก็อันนี้ปัสสนูก็ค่อยลดไปลดไปผมรู้ น, นันก็เลยค่อยหมดไปหมดไปครับอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างง่ายง่ายครับทขอเตือนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังอีกทีเดียวหนึ่งครับคือพิธีเป็นวิปัสสนูนะครับแต่ห้ามบ่ได้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 แต่เราต้องไปรักษาบนนี้เป็นรักษาไปอุม้มไปจับอยู่ในบ่เนี่คือไปรักษาคือย้ายมันคิดออกไปนอกแนวคิดสร้างมันต้องบอกอกันแต่ว่าคิดแล้วก็แล้วไปย่าไปสนใจกับผมคิดความคิดนั้นอย่างมากบวกเกินห้ามือครับผมเคยสอนมันแล้วความคิดนั้นจะลดลงลดลงลดลงมันก็นเลยเป็นปกติครับเมื่อไม่เป็นปกติแล้วหมานนมันเน้นน้ำกับเจ้าเบิกความคิดทีครับ ให้เข้าใจว่าวิปัสสนูมันลดน้อยลงไปแล้วมันก็บ่มีทิฏฐิครับข่าวกําลังมันเป็นวิปัสสนูอยู่ฮันหอจิเว้าให้มันฟังมันบ่มีฟังนลยครับมันทีเอาแต่อํานาจของมันเพราะว่าทิฏฐิอันนี้มันมีมานณะวิปัสสนูที่มีมารณะมีทิฏฐิกล้าแข็งจิตใจมันโบอ้อนโยนจิตใจมันกล้าแข็งมันสามารถถกเถียงได้หมดมันเป็นอย่างไรดังนั้นผมเป็นมาแล้วครับโดยในคนเป็นวิปัสสนูจึงบ่มู้จักวิปัสสนูครับ ผมในขณะผมเป็นนะผมบู้เข้าจับแท้ๆผมอุปมาให้สัง่งเมื่อกับคนกินเล้านี่ครับกินเล้าเนี่มันเมาแล้วไปว่าพวนี่อย่าต้กินเทอาเมาแล้วเล้าเนียวยคนที่เมาแล้วเนี่ยบนะ่เมาบ่เมากู บ, บ่เมาหรือคไขยบ่เมาหรือผมบ่เมาเอามาให้กินยิ่งกินก็ยิ่งเมาครับมันเป็นทางสังคมหรือวิปัสสนูนะี่แล้วก็เลยบ่ต้องห้ามมนะันให้มันเป็นเป็นการทำร้ายนะแล้วเขาพยายามบอกมัน แม่ไมมันเหตจังหวะเข้าเดินจังหวะเข้าไปหรือมันบบเหตจังหวะก็ได้โบเดินจมกองก็ได้แต่เขาคอยๆอมันพูดมันคุยไปแต่มันเกลี้ยงเอาขมรู้นํามาอ้วดเขาอวกกระสร้าง ม, มันเขาจะไปถือสาเพราะเขาหูแล้วเนี่ยครับจึงไปสอนเขาเขาบหูจะไปสอนเขาเจ้าได้บอกรับมันต้องหูแท้ๆได้ครับเรื่องนี้ครับ <c oughs> ผมจึงสามารถแก้วิปัติหนูได้ผมมานหูจากคมคิดผมก็เลยแก้ได้อันนี้เรื่องวิปัติหนูครับให้เขาพูดจาก คนเป็นวิปัสสนูนั้นถ้าหาว่าเฮาี่บย่อยให้ขาเป็นถึงนะพอดีมันรููรูปน้ำแล้วก็เลยให้มันไปให้การให้งานอื่นๆืุ้่ถามมันถามเต็มเรื่องรูปน้ำเท่านั้นเดี๋ยครับอย่าไปนสนใจเรื่องผมรู้พยายามถามมันลมเราถามมันอยู่เรื่อยๆแต่มันก็เลยค่อยลดลงไปไว้กับมันนนะต่อจากนั้นไปตอนรู้อันนี้เดือครับบั น, นี้ตอนรู้ที่ผมคิดแล้วนี่นะเฮาลูบ ผ, ผมคิดเฮาเห็นผมคิดเฮาแล้วบันเนศ รู้มันคิดขึ้นม า, เ, าเห็นเขารู้เขาเข้าใจมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บให้ไปได้ไปทีแรกมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ผมเองอันนี้ครับผมเดินจมกมผ ม, ผมย่างว่าสั่ ง, งไปได้ครับย่างไปคล้ายๆคือมีคนมาสุกผมอย่นี่ครับแล้วคนมาผักดานผมวูบหนึ่งผมบ่เห็นครับบ่เห็นควมคิดผมก็เคยเบื้องความคิดผมจักเทรือครับเมื่อผมรู้อยู่ใหเครือ ท, ทำอีกเรอผมบอกหนเครือที่สองนี่เอ๊ะ มันมาแต่สาน้อผมคิดในผมซอกคับผมคิดมันว่าเห็นเนี่ยผมคิดเลยครับมันก็รู้เพอเป็นหลางๆครับเพื่อที่สามเนี่ยมันคิดมาโอ้มันอยู่นี่เนี่ยผมคิดในผมเลยมาเบิ่งผมคิดครับเอาสติมาคอยดูมันคือแมวกับหนูนี่ครับหนูที่มันมาแล้วแมวมันสโลอยู่เนี่ยมาแต่หนูมึงโดดมาโอ้ทีจับมึงย่างแรงรึเปล่าเดียวแม่มันคิดอย่างาไนครับพอดีหนูโดดมาปุ๊บแมวมันจับพับทันทีครับ จับย่างแรงครับโนมันก็เลยไปโบได้ครับอันนี้ก็เขามาเบิ้งกด ก, ดกด็คือกันพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บผมคิดมันหยุดเลยครับเมื่อมันรู้จักอันนี้มันเลยรู้จักสมุธานต้นเหตุกําเนิดที่เกิดของทุกข์ครับทุกข์นี่มันเกิดเพราะผมคิดตัวนี้พี่ได้ครับตัวคิดนี่เป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์ขังตัวอันนี้จังตัวอนัตนาตาอันนี้พี่ครับอันทุกข์ขังอันนี้จังอนัตตานั้นมันจึงมีหลายซ้าหลายลืกครับ แล้วว่าอนัตตานะครับเพื่อนว่าทุกขังอนิจจังอนัตตานั้นเพื่นว่ามันบังคับบอดายพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนผมอันนี้เพื่นว่าทุกขังผมงอกฟันหักนั่งกับแมนอยู่ครับแกมันโบแมนครับอผมเลยว่ามันโบแมนแล้วพวกอื่นว่าแม่งกระทำซ้ำผมผมว่าซื่อเนี่ยผมว่าตามใจผมอันนี้ครับตัวทุกขังตัวอนิจจังตัวอนัตตานะตัวอิทรียบทตรนั่นแหละครับตัวเคลื่อนตัวไหวตัวหน่งตัวติง ตัวผ้าตาตัวหาใจตัวอ้าปากตัวนึกตัวคิดนี่แหละครับเป็นตัวทุกขังเป็นตัวอนิจจังเป็นตัวอนัตตาเป็นอันเดียวกันมดครับขันลู่อันนึกระลุมดครับผมรู้จังสันครับบาดนี้ผมมาเห็นผมคิดตัวผมคิดนี่นะมันเป็นตัวอริยสัจต่ผมเข้าใจอย่างสักครับแล้วผมมาดูผมคิดมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บอยู่โบนานครับอันนี้โบทันนาน คล้ายๆคือผมอยู่ห้องมืดครับบนันเนี้ผมนึกพ่หน้าออกไปจากที่มันแก้มครับมันเลยเห็นไป่มดเม็ดนี้หรืออีกในนึงคล้ายๆคือน้ำหนักของตัวผมนี่มีอยู่ร้อยกิโลครับมันพ่วงอยู่ในคอหรือในหัวใจหรือที่ใดก็ตามสร้างแหละครับมันหนักอยู่ในร้อยกิโลคพอดีผมเบื่งผมคิดในคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บเนี่ยคล้ายๆคือความหนักนะมันว่าแต่ลดอย่างน้อยนี่ครับ สิบกิโลลดไปมันเบาออกไปครับเบาออกไปยังจีนเลืออยู่ยภายในจากยี่สี่สิบกิโลนี่นะครับผมเข้าใจนบเมื่อหากว่าตัดมาทางใจผมจริงๆแล้วผมว่าผมเอาออกรดหรือมันหลุดไปโรดครับแปดสิบกิโลครับผมว่าหมื่นบาทเนียววะครับไปแล้วอัะหนักๆนั้นน่ะแปดสิบกิโลแล้วยังเหลืออยู่ยยี่สิบกิโลครับผมก็เลยรู้จับขุมเป็นพระเดียบุคคลขึ้นมาลดครับโอ้ พระอ น, นิยบุคคลนี่มันอยู่นี่เนี่ยคำว่าผ้านี่มันเป็นนังซีลมันโบได้หมายถึงอผ้าถึงเสื้อโบได้หมายถึงอันนั้นว่าพวกมีเครื่องหมายเนีผมเข้าใจอย่างตันคืออ่ะผมรู้จักต้นเหตุส ม, มุฐานที่เกิดของโทสะโมหโลภะครับผมรู้จักอันนี้จริงๆครับเมื่อโทสะโมหโลภะเนี่ยก็ะทูกลดน้อยไปแล้วเบาบางลงไปเป็นอย่างไรครับเมื่อเป็ น, นปอย่างนั้นแล้วก็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 ผมเห็นหน้าเห็นตาตัวชีวิตจิตใจของผมพี่ได้ครับผมเห็นอันนี้ครับเมื่อผมเห็นอันนี้แล้วเวทนาบ่มีทุกสัญญาบ่มีทุกสังขารบร่มีทุกบีญญาบ่มีทุกพวรวะบ่มีโทสะบ่มีโมหะบ่มีโลภะหนักแล้วบัณณ์นี่เทวดาผมเข้าใจอย่างสัตวโอ้มันมันผิดกันพอดีเปแล้วท่านบอกเกิดปีติขึ้นมาอิทึมแล้วครับอันนี้เกิดภูมิใจบันี้ ภูมิใจว่าตัวเองรู้อันนี้เห็นอันนี้ว่าตัวเองเป็นพระได้แล้วบัด้นี่ยนี่ค่วมเป็นพระอันนี้บุคคลมาอยู่นี่เด้คข่วมเป็นพระนี่มันไม่ได้มีเครื่องหมายคีบขั้นคือผู้ใหญ่บ้านกำนันคือครู ค, คือตำรวจทหารมันไ่ไเป็นนักสันเด้หมายถึงจิตใจพี่เด้ผมเข้าใจอย่างกันครับหมายถึงจิตใจบนบนหนักบวทุกนี่นะครับค่วมเป็นพระนี่นะบัดเนี้มันเกิดปีตีเข้ามาครับอันปีตีนี่แหละครับมันทําให้เราหลง มันก็เลยหลงมาเบิ้งความคิดอันนี้อีกตึ้มละครับมันก็เลยไปเพลินไปสบายไปมีความสุขเบาเนื้อเบาหนังเบาแข้งเบาขาเบาจิตเบาใจบรรเลาอยู่เนี่ยมันเลยมาพอใ จ, จกับอันนี้อีกตึมละครับอันนี้แหละเพลินว่าญาสู้มีปีติว่าเถิดเพลินสนยาสู้มีอุปทานวันเถิดยาสู้มีอย่างทางมดนี่นะครับเห็นแล้ว้มันแล้วไปซื้ อ, อให้มันอยู่ซื้อๆนี่นะครับ อันนี้ขัณเหตแล้วมันเพื่อห้ามบอดได้เด็ดขัดมั น, นมันเพื่ อ, อยักสบายยากสุขนี่นะครับเนี่ยผมจะว่าปีตีนี่เป็นอุปสรรคต้องการปฏิบัติธรรมะให้เฮาลู่ธรรมะเบื้องสูงไปครับมันเป็นอะไรอันนี้มันเป็นปีตีในพระเอกรินตายานกินตาหยาเ น, นี่ยผ ม, มรู้จักแต่ก่อนเมื่อผมมารู้จักซี่ผมรู้จักกินตาหยานครับอันนี้จินตญานนี่ก็คือการครับ ปฏิบัติธรรแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เห็นป้าก็เลยลืมมาเบิ้งอันขวมบ่มีทุกข์นี่นะครับมันก็เลยที่เป็นบ้าไปก็ได้ได้ครับอั น, นเรื่องมูนลนีะครับมันเป็นอย่างตันได้ครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆครับบัดนี้ <c oughs> บนี้ผมมาปฏิบัติไปพอดีตอนเศ้าพี่นะครับบัด น, นี้ผมมาเดินจมคมย่างไปย่างมามันก็เลย ความคิดเรากำลันเบาไปเบาไปความสุขอันกวกพอใจผมก็เบาไปเบาไปลดน้อยไปมันมาเบิ่งความคิดพี่อีกิ่มแล้วครับบี้มาเบิ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบิ้งอยู่พี่ล่ะกิเลสตัณหาอุปทานกับมันเบิ้งอยู่พี่ครับเบิ้งติดเบิ่งอย่างอยู่พี่นะมันปกติเป็นเบื้องอยู่พี่มันก็เลยมาเห็นความคิดอีกิ่มครับมันเป็นอารมณ์ได้ครับเรื่องวิปัสสนาวิปัสสนาที่ว่ารู้แจ้งรู้จริงๆเ้ยครับ มันบอกเปนรู้จับมาจากตำลับตำลาแลบ้บอกเปนรู้จับมาจากคูบาอาจารย์บ่แมน่นแท้ๆครับเรื่องนี้ผู้อดไรซิว่าแม่กะตำสร้างผมว่าผมโบเสื้อครับผมเสื้อว่าผมเป็นนวกสันผมเสื้อตามความจริงผมเนี่ยครับบาทนี้อันนี้กินตาหยาดครับมันตอนเป็นนิพพัทธ์ครับมัตนต้องเข้าใจจริงๆผมมาเดินจมกรมตอนเท้าครับมันเบามดครับเป็นโตผมนี้ครับเบาคล้ายๆคือหอ่อคือลอยไปนี่แหละครับ บาเมดมันขาดไปเมดมันให้คายคายคายคือว่ามันไม่มีอย่างทั้งเมดมันเห็นชีวิตเห็นจิตเห็นใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างครับอันเนี้ยนี่ผมมาเป็นอาชีคันว่าไปตามภาษาตัวหนังสือในะคนเอื้อนอาการเกิดดับว่าสั่นผมเห็นอันนี้อาการเกิดดับทันีแรกมันผมปฏิบัติทําอีกนั้นผมพลิกมือขึ้นมันเกิดคว่ำมือลงมันดับผมเข้าใจอย่างสัตว์ธรรมิครับแล้วการความคิดมันคิดขึ้นมันมันเกิด มันหยุดคิดมันดับมันพลิบตาอยู่นี่มันเกิดมันทับตาแล้วมันดับอันลมหายใจคือมันเป็นเกิดเป็นดับมอันนีโบเมนครับมันมันแมนเกิผมเราเขามันหูจักน้อยครับตอนผมมาหูจักขารเกิดดับนี่ครับตอนเสาร์ครับผมเดินไปเดินมันหลุดออกไปมัดขัดนี่ผมมาหูจักพระพุทธเจ้าตัดผมเพื่อเดี่ยวนี่ครับพระพุทธเจ้าตัดผมเพื่อเดียววันผมหูจักอันนี้แท้ๆรับรองร้อยเปอร์เซ็ต์นี่ครับอันนี้ครับ โอ้ธรรมชาติกฎเกณฑ์ของมันมันเป็นอังสีมันก็ได้มีเจ้าของไปเหตุถ้ามันมีขึ้นมานี่พโนเอิญตันหาคือข่มยากครับกีเลตตันหานี่มันเป็นอย่งสีครับอย่งผมยังรู้จักคักเทถได้ครับอันนี้รู้จักจนโนโอส่งใส่ผู้นี่ครับอันนี้มันเหมิดครับมันเป็นปกติคือธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างสั้นครับมันก็ะบวนการยาวแล้วมันเป็นอย่างสั้นอยู่ตามธรรมชาติมันเป็นตามกฎเกณฑ์ของมันแท้เด็ดได้ครับอันนี้ อันทพุิยตัดอันท้าพุทธิยตัดผมเอ่ะอาดาตัดนั่นมันยาวออกไปบมเดลนั่นมันค่าสองข้อมูอยู่ตามเดิมนั้นโอ้ยอันนั้นมันคําเว้าคนเรียนมาเว้าดอกครับอันนั้นนะอันนี้โบแมนยังทำรับรองอันนี้อะมันปากโบออกครับคันว่าคันหูแล้วให้ปิดปากเว้ากันมันโบแมนปิดปากเว้าครับมันเว้าให้คนฟังคนมีปัญญามันรู้คนโบมีปัญญามันบรูครับอันนี้ผมก็เลยรู้จักอันนี้มันมีหยาดขึ้นขึ้นว่า เมื่อถึงที่สุดแล้วมันมียานเกิดขึ้นเยามบอกย่อมมีพันวาสันตามหนังสือบอกครับคุบ่าจังกระบอกเนี่ยมันเป็นแท้ๆครับแต่มันเป็นได้อยังรู้จักได้ยานนะครับมันเป็นตะกอนมันหลุดมัดตะกอนครับแล้วก็มันก็รู้จักว่าว่าแท้ๆนะครับมันเกิ็ขุมรู้ขึ้นมาจากภายในจิตใจจิตตนึกจริงๆครับอันนี้เรียกว่ายานปัญญากรได้หรือว่าวิปัสนาญาณกระได้หรือว่าจีว่าญาณยังไงก็ไดครับมันเลยรู้จักขึ้นมาว่าซาดสิ้นแล้วพบสิ้นแล้ว ผมมาจานยุติจบแล้วกิจอื่นไม่มีแล้วหมดโทันี้แล้วกิจในพุทธศาสนาว่าซั่งมันรู้จักจริงๆครับเรื่องนี้รับรองร้อยเปอร์เซ็นครับคันถ้าหากพูดอยงซีจี้หาว่าพูดอวดอุตรีมนุษยสาธรรมนี่ว่ากระทำตางแล้วครับผมว่าผมจริงผมเป็นนางสีครับนี่ครับมันเป็นนางสีแต่มันเกิดความสุขนั้นว่ามีในโลกเลยมีเงินร้อยล้านพันล้านไปซื้อกับโบได้มันเกิดความสุขอันนี้เพรภูมิใจมันเลยลืมมาเบิงอันว่ามัน มันแห้งมันหมึดนี่ครับอันนี้มันเป็นวิปลาสครับผมก็ไปเป็นอันั้นนี่ประมาณจากสามสี่ห้านาทีคนวุ้ยบแมนแล้วอันนี้มาสักผมก็กลับมาเบื้องอันที่มันแห้งมันจืดนี่ครับผมทำไมาเห็นโอ้อันนั้นมันเป็นวิปลาสเด้อสักผมเลยหูวจักวิปลาสครับดังนั้นผมจึงสามารถแก้วิปลาสแก้วิปัสสนูแก้จินตญาณได้เพราะผมหูวจักเนี่ยครับมันไม่หัวจักมันจะแก้เป็นเนี่ยครับมันต้องหูวจักสก้อนอย่างว่า มันต้องหู้จับตะก้อนตอนเป็นวิปัสนานี้ให้มันเป็นครับเอาไปส่วนมันว่ามันคุ้ยมันลดน้อยแล้วก็บ่ชปฏิบัติก็ได้มาคอยดูผู้เดียมครับอันนี้ครับตอนแก้วิปัสนาครับแล้วก็ฮั้มันหู้จักตนโตมันฮั้นมันเม่งมันตีงมันเคลื่อนมันไหวให้มันมาเบิ้งรูปกายได้ยังให้มันเบิ้งใจครับขันเบิ้งใจโบได้วิปัสนานี่ครับให้มันเบิ้งการเคลื่อนไหวที่มองเห็นจับทุกด้วยมือนี้ครับอันนี้เป็นปัญญาแก้วิปัสนาครับอันนี้ ตอนแก้จินตญาณเนี่ยให้มันมาจับตัวเฮานี้ให้หัวหูวมือนะครับเบื้งความคิดทัานอย่าไปเบื้องความสุขอันนั้นอย่าไปเบื้องความคิดอันนั้นอัน enfin, ตอนเป็นมูเน่มันต้องรูง้จักดีบัดนี้คนมาเพ่งความคิดได้บัดนี้ครับตอนปฏิบัติ ural, ตอนที่เป็นจินตญาณตอนที่มันหู้ปรมัดเนี่ยเพ่งเข้าไปมันมืดมันบ่เห็นเนี่ยครับมันมืดตึ๊บอยู่ในใจผมครับมันรู้จักทางไปว่าทางต่ากัได้ครับบัดนี้มันหัวนี่มันมึนขึ้นมา มันหนาหน้าหนาตาแน่นหน้าอกครับบันนี่พวกนี้มันเพ่งครับแต่คนผู้ปฏิบัตินั้นเขาจาวงหัวจักว่าเขาเจ้าวเพ่งเลยครับผมก็เป็นมันจิ้มหัจักและบันนี้เขาเบิ่งไก่ไกครับเบิ่งไก่ไกแต่มันคิดให้หัวมือแต่เขาจับตัวเขาไปให้หัวมือจนมันคิดให้หัวมันเบิ่งไก่ไกพุ่งครับเบิ่งแสงตาเบิ่งไก่ไกเบิ่งไก่ไก่มันออกจากบนมันมึนมันมันมึนมันแน่นหน้าอกมันากไปเบิ่งมันบนหัน เอาแต่งตาเบิ้งไก่ใต้คุณมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บหรือว่เห็นการตั้งตั้งหัวมันครับแล้วก็ออกกำมือเยียดมือเดินจมกลมนั่งให้จังหวะอันุกตตามหล่ะให้มันรู้แล้วก็เบิ้งไก่ให้มันเห็นมันคิดกับมันเห็นครับมันค่อยลดไปลดไปลดไปอันให้ทั้งซีครับตอนแก้ที่มันหนักอกหนักใจตอนแก้จินตญาณต้องแก้ลูกนี้ครับแก้ยังให้มันลืมผมคิดครับอันนี้ครับตอนแก้จินตญาณ บ่ง่ายครับแต่มันกับว้าหลายเด็ดขาบอันว่าให้ฟังซื้นนี่มันมันกระจำได้ครับแต่ว่าตอนไปแก้มันแก้มันักมีความเว่าครับเมื่อไปสัมผัสแม้วเขาผู้จักเองครับเพาะหูู้นี่เัาเต็นเนี่ยครับเขาก็หูจักเลยโอ้ผู้นี้เป็นอย่างที่แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องแก้ตามรูปของผู้เป็นครับแต่ณจุดเขามีความสามารถแก้เขาจะให้ถูกได้เขาจะไปสอนผู้อื่นต้องรับรองได้จริงๆได้ครับ ผมรับรองได้แต่แท้ได้ผมนะครับผมไม่จีบว่าคุยได้ไเนี่ยผมไม่คนอวดดีได้อเนี่ยครับคนมีดีเอามาเว้าได้เนี่ยคนคนมีได้เนี่ยเอามาว่าสู้ฝังซื้อๆนี่ยครับผมไม่อวดดีได้อั น, น ค, คนอวดดีนั่นไปว้าวแว๊กๆอยู่ขานาดเปลนเป็ น, นจ่อยวับผมเห็นครูบาอาจารย์แก ก, แ ก, กันโอ้ยม่แกแต่บ้าๆบ่ๆจำเนี้ผมก็ไปฟังแต่ผมหัก บ, กบกก่บ่ไ ด, ด้วากับพ้าเจ้าครับอันนั้นคนอวดดีครับมันคนอวดดีว่าวซื้อๆอันนั้นแกบเป็นเนี่ยนครับในปล่อยเขาเป็ี่นป้าย ผมได้แก้หลายคนเนี่ยครับคนเป็นมาจะทางอื่นผมได้ไปเว้าให้ฟังครับนี่มันเป็นอย่างะครับตอนเป็นนิพลานครับตันนี้มันอยากสติเสียได้ครับมันไปติดข่มสุขมันไปติดข่มบ่มีตนว่ามีมันว่ามีที่พึ่งครับผมก็เลยสมมุติให้มู่ฟังร้ายเถื่อเรื่องนี้คล้ายๆคือเหาข้ามของข้ามห้วยข้ามหองนีครับเหาเอาไม่ไปใกล้ลำเดียวผมเคยข้ามน้ำมีครับผมคิดถึงน้ำมีอันผมไปปฏิบัตินะ ขาเจ้าไม่พ่ยกายกายไปเลยเฮ็ดหาวบัดนี้น้ำมีเหมือนก้วงไม่พ่ายข้าเจ้าตัดมันแล้วฝ่ายมัดจุกกันมันบ่มีห่าวจับมันง้ดบางกระตกลงน้ามีปุ๊บหลุดผมเข้าใจครับบัดนี้มันมีห่าวจับอยู่สองข้ามมันง้ดไปทางพุ่งกับมีห่าวง้อมาทางพี่กับมีห่าวก็จับห่าวไปจงว่าอาใส่อารมณ์ขับตอนแกวิแกวิประหลาดครับให้ขาเจ้ามูดจักรูปน้ําให้ขาเจ้ามูดจักความคิดให้ ให้ขาเจ้าหูวจักอารมณ์ปรมัดที่ธรรมอารมณ์เกิดกับใจขาเจ้านั้นให้ข้าเจ้าที่มาเบิงอารมณ์มข้าเจ้านี้อันนี้ครับคำข้าเจ้าวางอารมณ์รูปนามวางอารมณ์ปรมัดวางอารมณ์ธรรมอารมณ์เกิดกับใจนั่นแหละข้าเจ้าปติดขมุกนั่นมันเป็นมิประหลาดครับมันเป็นคนลืมโสครับอันนี้มันจีเป็นบ้าครับอันนี้เราต้องเป็นอาจนรย์ครับและทุกคนเนี่ยครับบ่เป็นน้อยก็เป็นมากแล้วครับผมกระเ็นแต่ผรมหกักรามันโชคดีซื้อผมผมมาโชคผมดีครับ ซุขดียังใสโย่พอดีมันเป็นแล้วผมลืมผมไม่ได้มาเบิ้งอันอารมณ์ทำอารมณ์เกิดกับใจผมไม่ได้มาเบิ้งอันนี้พี่นะครับผมผมไม่ได้มาเบิ้งอันมันแห้งมันจืดมันหมึดเนี่ยอันมันเป็นปกติเนี่ยผมนึกว่าไม่มาเบิ้งอันนี้ผมนึกไปติดขมสุขพุ่นนะครับบ้านผมมาสำนึกโตได้ผมก็ับมาเบิ้งอันนี้โอ้อันนั้นมันมาลอกหรอกกรแมนหรือเราเป็นปีตีกับแมนเราไปติดอันนั้นเล่นมันก็เลยแมนไปหนมึดครับมันคนลืมโตเนี่ครับอันนี้แหละพี่วะ คนลืนโตนั่นคือคนตายแล้วเคุนว่าตายแล้วจ้ะเนี่ยเจ้มันบูมจักโตเองนันกับคนลืนโตท่านน่ะครับคนตายดิมันเน่ามันหมิดออกไปขิ้นได้อันคนตายบ่ทันมดลมหายใจเนี่ยครับคนเป็นบ้านี่นะครับมันพูดซัวมันทําซัวมันคิดซัวมันบ่มีอายครับอันนี้เป็นบ่เอื้นคนตายนะครับจังมาเขาอยากส่วไปตายอย่างสันครับถ้าหากเขาได้ตายยังสันแล้วกับมันหมิดแล้วครับมันเปียกแต่มันเน่าครับ เราขออนุญาติเดลยครับอันคนเป็นบุหตอยากนี่คล้ายๆคือตัวหนอด น, นะครับมันอยู่กาะอุจจาระมันอยู่ที่เน่าที่หม็ด น, นะครับผมเคยเลี้ยงข่วยครับบ้านผมเลี้ยงข่วยค่วยเป็นบาดผมเอายาไปใส่พ่อผมบอกให้เอายาไปใส่เอาใบยาเนี่ยไปตาําโคกเข้ากับปูนแล้วเอายาเส้นเขานี่กับปูเ น, เนเนี่ยตำเข้ากันแล้วเอาน้ําไปซุปไปยัดใส่บาดครับตัวนอนมันไหลออกมาเองครับบางตัวบางตัวมัน พอไม่ไปเคี่ยวออกแล้วมันโบยักออกมามันดุ้นเข้าไปในพุณครับตัวนอนมันดูน้ำครี่เน่าๆนั่นเนี่ยครับเอาอยาไปยัดแต่มันตัวนอนมันไหลออกมาอันนี้ก็คือกันครับท่นเฮาสอนดีๆได้มันโบยักเสื้อครับคนเนี่ยเขาบอกให้มันปฏิบัติจนที่มันโบยักเอาครับมันสุกอันเพราะว่ามันสุกแบบนอนอยู่บนเน่าๆครับแบบนอนอยู่บนเน่าะอันคนแต่นนั่งหลับหูหลับตาอยู่นั่งกับคือกันครับผมเข้าใจอย่างดีครับ ตอนนั้นผมรู้จักสิคือผมเป็นนั่งครับนั่งคมสงบเนี่ยผมว่าผมผูกต้องจริงๆเนะครับใครสิว่าใส่กระโปรเสื้อผมว่าผมอ้วสบายดีบ้าไปสู้อารมณ์ข้างนอกมันจะสู้บอดาครับอันนู้นนั่งอยู่ฮั่สงบจริงๆครับบาาไปเพื่อคนว่าให้อย่างตอนนันจะมาเกิดโกรธขึ้นเลยบ่ได้เบิ้งผมคิดนี่นะครับมันไปติดตัวผมสุกพุณนะครับอย่าไปเบิ้งมันผมจุกป่ะเดี๋ยวมาเบิ้งผมคิดผี่ครับเนี่ย อันเรื่องขมโคตรข่มโลภข่มห ล, ลงนั้นมันดับว่ามีครับเขาลืมวันเบิ้งนิติซื้อนี่นะลืมเบิงบ้งจิตเบิ้งใจลืมเบืง่งชีวิตเฮานิตซื้อนี่นะครับเขาไปติดข่มสงบพุ่นนะครับบ้านเฮามาเบิง้งตัวมันนึกมันคิดไี้ย่อข่มสงบมีกระตำสรางบุญมีกระตามของมันแล้วครับเพราะมันสงบอยู่ตรงซี้ครับมันเนี่ยมันสบายเนี่ยครับอันนี้แหละว่าคนเป็นบ้ามันบุ้งจากบ้าคนไปติดข่มสงบเลยบุ้งจากคนสงบครับคือนอ่อนนี่อย่างว่าครับ นอนเนี่ยมันเสื่อว่าอันอาหารของมัน่ะอันมันนอนนอนเหม็ดๆนั้นแล้วครับบัดนี้คนรู้จักอาหารนอนนอนเม็ดๆมันก็โบกินแล้วครับมันก็กินอาหารมันบนนอนโบเม็ดกินแล้วครับคนรู้จักความสงบโยอที่เป็นนั่งให้ยั่งครับนั่งก็ได้บนั่งก็ได้มันก็สงบอยู่พี่แล้วของว่ามันบวมีเด้ครับมันไม่เห็นพี่ครับบัวไม่เป็นนั่งให้มันสงบยังซ้ำครับอันเป็นนั่งสงบนั่งคดียูกับบได้ดวาวาบูดีก็ได้ครับ มันดีแบบนั้นดีแบบคนบูฮู้จักครับดีแบบบูฮู้จักสมมติอันคนสงบนี่มันจึงมีสองแบบครับสงบแบบหนึ่งนั้นสงบแบบบูฮู้จักไม่ยั้งสงบแบบหนึ่งนี่สงบแบบเห็นแจ้งแต่เอิ้นมาส่งคือกันแล้วผมก็เลยว่าบูแม่นสงบอันเนี้มันเห็นแจ้งมันรู้จริงมันเข้าใจจริงผมก็เลยว่าอย่างนี้แล้วก็มันยังแม่นคนสงบอยู่คือเก้านั่นแหละครับเนี่มันเป็นอะไน ันที่ว่าให้ฟั่งการแก้เรื่องวิปัสนาวิปัสนานี่ให้เข้าใจจริงๆครับวิปัสนานั่นแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงวิปัสนานนั้นจิตใจมันหู้จักแต่เพียงว่าบนลงแต่มันก็นยังทําซั่วไ ด, ได้ได้ครับทําซัวได้อยู่ผมเห็นอั น, นครับคนมาปฏิบัติธรรมาจาักพบนี่แหละครับแม้แต่ ก, กับว่าผู้นั้นผู้นี้อย่างนี้นครับผมเห็นผมเลิกได้จริงๆครับ เรื่องคํามากเรื่องกอกยาเรื่องกินเหล้ากินยให้วา่อบบาอะไรไงมุกเนี่ผมเลิกละได้จริงๆครับคนมาปฏิบัติธรรมะบางคนนะมันรู้ครับรู้แล้วเว้าได้แต่มันฝึกออกไปครับเนี่ยเป็นภาพเป็นเงาไปสูบยาคือเก่าไปกินเหล้าคือเก่าครับอันนี้แหละผมก็เลยว่านอันคนเฮ็ดชวนซังกับผมก็เลยถามมู่หลายคนนะครับอันไปกินของซัวๆได้นี่มีผู้ใดแดีแผมว่าแล้ะบางคนเขาจะกลัวเสียผมเห็นเตม่านนะั้นแหละว่า ผมว่าหมาเนี่ยมันหากออกมาแล้วมันจะกินอีกตื้มแต่นคนที่มันพวกินครับคนหากออกมาเอาหักออกมาแล้วผู้ใดไปกินหักตัวเองเ네นี่พวกหมีครับผมบ่เห็นครับเที่ยวหมาเนี่ยมันหากออกมาแล้วบ้านผมอันนี้มกลับคืนไปกินหากมาอีกตึ้มคนเนี่ยขันหูวจักจริงๆแล้วมันพวกคืนไปเฮ็ดครับผมจิ๋วว่าเลิกละได้เด็ดขาดผมบ่เห็นแท้ๆผมสะท้อนใจสะดุดใจครับนี่จังเอาคนเป็นวิปัสสนาสมาสกินเ้าก็ได้สูบยาก็ได้ คบมันถืออนัเป็นความสุขอยู่เนี่ยครับมันเป็นสมาธิมันวอเป็น่นจะมาทำซั่วได้อันนี้แหละครับที่ผมนำมาเราให้ฟังนี่แล้วก็พยายามเอาไปนึกไปคิดไปที่จะเนาเอ็นครับเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้ว น, นี่ก็ได้ครับสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่เมื่อเรามาพบมาเห็นเริ่มมาประสมกันในวันนี้ สำหรับผมจะได้ให้คอคิดตามทิฏฐิและความเห็นความเข้าใจความทราบซึ่งในจิตใจของผมเองเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย <c oughs> ได้จดจำนำเอาไปคิดเอาไปพิจารณาและเห็นว่าเหมาะสมกับทิฏฐิของตนเองก็นำไปปฏิบัติได้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 เนี่ยเคยไถยทานเคยรักษาศีลเคยทำกรรมฐานมากับครูบาอาจารย์ก็หลายมาหรือมากมาพอสมควรแต่ผมยังมีความสงสัยมีความลังเลใจไม่แน่ใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรผิดอะไรถูกอันนี้ผมไม่แน่ใจต่อเมื่อผมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมะ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 คนเราเมื่อออกจากที่มืดแล้วก็เดินไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคองแวะผมเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นผมจึงจะนํามาเล่าให้ฟังคือคนใดเห็นว่ามันเป็นทางที่จะนําตัวรอดไปได้ก่อนเอาไปประพฤติปฏิบัติก็ได้หรือคนใดว่าไม่ต้องประพฤติปฏิบัติคํำพูดเช่นนั้นมันไม่ถูกต้อง มันไม่อยู่ในตรอบในคลายคำสอนของพดุดธเจ้าจะไม่นำเอาไปพึ่งจะไม่นำเอาไปปฏิบัติก็ได้ดังนั้นคนเราเมื่ออยู่ในทีมืดแล้วจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องวกวนอยู่ที่นั่นเนี่ยเหมือนกับนกที่เราเห็นกันอยู่ด้วยตาเนื้อเรานกนี่อยู่ในกรงถึงมันจะวิ่งไปนั้นมานี่มันก็อยู่ในกรงนั่นเอง มันซ่อนหาทางที่จะออกจากโกงนั้นออกไม่ได้ดังนั้นคนเราเมื่อติดครอบงำอยู่อะไรอันใดอันหนึ่งที่มันติดที่มันครอบงาอยู่ในจิตใจของเราหรือชีวิตของเรานั่นเนี่ยอันนั้นคือเราอยู่ในที่มืดเมื่อเราไม่มีความสงสัยไม่มีที่คล้องแวะเหมือนกับที่เราเดินไปกลางวันเรามองเห็นอันใดอันหนึ่งหรือ ที่สำคัญอันใดอันหนึ่งเรามองเหน็นด้วยตาเนื้อเราจะไม่ได้ไปที่ที่มันจะเป็นคิดเป็นไทยนั้นเหมือนกับเราที่ออกจากที่มืดเราก็เดินไปได้สบายใครจะพูดอย่างไรเราก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคล้องแวะเพราะเราเห็นแจ้งรู้จริงอันนี้เป็นคิดพิผมเห็นและผมเข้าใจของผมดังนั้นผมจึงไม่เสื่อใครทั้งหมด แม้ไม่เสื้อทั้งตำรับตำราแต่เพียงได้ยินได้ฟังเอาไว้ตำรับตำราหรือตัวหนังสือเขียนเอาไว้ก็ฟังเอาไว้แต่ไม่ได้ปฏิเสธอันนี้ไม่ดีไม่ได้ปฏิเสธอยางนั้นแต่ไม่เสื่ออย่างนั้น mm. คือเสื่อมั่นในคมเห็นในควมเข้าใจในสิ่งสิ่งที่มันปรากฏการเกิดขึ้นมาในภายในชีวิตจิตใจของเหล่านี้แหละอันนี้แหละที่ผมจะนํามาเล่าสู่ฟังวันนี้ ที่ผมได้ยึดได้ถือได้ฟังเอาไว้คือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกเรื่องดับทุกคนเราทุกคนนี่แหละถ้าหากว่าอยู่ที่มืดก็ต้องมีความสงสัยอันความสงสัยก็คือความทุกความทุกนี่มันมีหลายซั้นหลายเรื่องอย่างที่คนธรรมดานั้นทุกคือความไม่มีเงินไม่มีทอง ไม่มีข้าไม่มีของอันนี้ทุกข์อีกแบบหนึ่งและบางคนผู้มีปัญญาลึกกว่า น, นั้นกวทุกข์เห็นว่ามีความโกรธความโลภความหลงอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึง่งทุกบางคนมีความสงสัยนอกเหนือไปจากความโกรธความโลภความหลงแล้วก็ยังมีความสงสัยอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึง่งทุกอีกแบบทุกทุกเพราะการไม่เห็นการไม่รู้การไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึง่ง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 มันมีความสงสัยมันมีความนึกความคิดอะไรผมไม่รู้อันนี้ตัอผมอยังมีความสงสัยต่อเมื่อผมไม่ต้องหลับตาบอ น, นี้อันใดมาผมเห็นด้วยตาเนื้อและความคิดผมคิดขึ้นมาผมรู้ผมเข้าใจผมเห็นความคิดของผมผมก็เลยเข้าใจวันนี้ที่ทางที่จะนําไปหาพระพุทธเจ้า ผมเลยเข้าใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้ า, ยายคือตัวเจ้าสายสิทถะกุมาณนั้นอันนั้นเป็นเพียงรูปภาพหรือเป็นรูปเป็นวัตถุผมเข้าใจอย่างนี้อันพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นน่ะอยู่ที่ไหนอันพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นคือคนที่ไม่มีทุกข์นั่นแหละบุคคลใดไม่มีทุกข์อันนั้นแหละคือพระพุทธเจ้า Graph. บุคคลใด ย, ยังมีทุกข์อันนั้นเสว่ะยังไม่ได้เป็น พระพุทธเจ้าหรื อ, อยังไม่ได้นำํำไปหาพระพุทธเจ้าผมเข้าใจอย่างนี้นั่นนะคาว่าไม่มีทุกนั้นไม่มีทุกเพราะการไม่รู้อันนั่นกับไม่ใช่ว่าจะไม่มีทุกคือมันยังมีทุกอยู่แต่ความทุกนั้นมันมันไม่เหมือนกันบางคนให้ไปตามอารมณ์ตัวเองไม่มีทุกอันนั่นก็ดีเหมือนกันดีเพราะบุคคลผู้เสียนั้นแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้น ผมว่าไม่มีทุกข์คือเพราะการเห็นการฟู้การเข้าใจการสัมผัสได้ผมเข้าใจอย่างนี้ผมก็เลยพยายามทำพยายามทำจริงๆครับทำเพื่อความเข้าใจจริงๆทำเพื่อชีวิตของเราจริงๆทำเพื่อตัวเราจริงๆทำเพื่อคนทุกคนในโลกนี้จริงๆครับอันนี้ผมเข้าใจอย่างนี้คือเรื่องไม่มีเงินไม่มีทองนั้น ไม่มีเข้าไม่มีของนะั้นเป็นคนเกียรตานเป็นคนไม่เอาไหนคนแบบนั้นก็เสือไม่มีทุกข์เ พ, เพราะเขาไม่เห็นทุกอย่างนั้นในบัดนี้บุคคลที่โกรธเขาก็เข้าใจว่าความโกรธนั่นะเป็นความสุขเขาก็เข้าใจแบบนั้นเขาจึงโกรธขึ้นมาได้บางคน้องเพลงหรือดูหนังอันนั้นบุคคลผู้เช่นนั้นเขาก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นทุกข์ เขาจึงทำอย่างนั้นบางคนมีความสงสัยอันนั้นอันนี้กับเขาก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละกับเพราะเขาเข้าใจอย่างนั้นว่ามันไม่เป็นคุกผมเลยเข้าใจความสงสัยเนี่ยมันป็นคุกผมเข้าใจอย่างนั้นผมจึงทาให้มันเป็นว่าไม่ให้มีความสงสัยคันควรไม่สงสัยนี่มันไม่ใช่เป็นความสงบมันไม่ใช่เป็นความสงบที่แต่นั่งอยู่คนเดียวอันนั้น คือมันเป็นการเห็นแจ้งมันเป็นการรู้จริงมันเป็นการเข้าใจได้จริงๆอมันความสงบแบบนี้แต่ว่าความสงบก็ได้เนื้อจะว่าความเห็นแจ้งก็ได้เนือจะว่าความออกจากที่มืดแล้วก็ได้เนือจะว่าเราเราไม่มีความคล้องแว่อันใดทั้งหมดแม้ตำหรับตำลาพูดอย่างนั้นเราก็เข้าใจเราไม่ต้องไปคล้องติดอยู่กับตัวตำหรับตาลาที่เป็นวัตถุอนนั้นอันนี้ก็คือว่า ความสงบแบบนี้ที่ผมนําไปเล่าอยู่ที่ไหนก็ตามผมชอบพูดอย่างนี้เพราะทุกคนมันมีอย่างนี้ผมเข้าใจและนั่งความสงบที่ผมพูดนี้มันจึงไม่เป็นนั่งสงบคือมันสงบเพราะวมออกจากความหลงผิดมันสงบเพราะมันออกจากที่มืดได้มันสงบเพราะมันไม่มีความสงสัยมันสงบไปแบบนี้แต่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้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 เราจะนอนก็าตามจะไปยังไงก็าตามมันต้องรู้แจ้งเห็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ใบเห็นด้วยตาเนื้ออันนี้แต่ตาเนื้อเขามองเห็นซึ่งคนเดินไปเดินมาที่มองเห็นด้วยตาเนื้อ้หูได้ยินคนพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราฟังได้ยินด้วยหูอันนี้เป็นวัตถุแต่ที่ผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจภายในจิตใจของผมคือจิตใจผมมันนึกขึ้นมามันคิดขึ้นมาผมเห็นผมรู้ผมคิดสติตนี้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 มันไม่มีความทุกข์อันไหนมันเป็นเฉยๆอยู่อย่างนั้นอันนั้นเป็นตัวชีวิตของเราชีวิตนั้นคือมีลมหายใจเมดลมหายใจคือว่าตายอย่างนี้นะอันนี้เรื่องชีวิตนันเรื่องจิตเรื่องใจแบบนี้ครับเรื่องจิตเรื่องใจนั้นถ้าหากว่าอยู่ด้วยอารมณ์ที่มีโมหะที่มีโทสะที่มีโลภะอันนั้นเรียกว่าจิตใจเศ้าหมองผมเห็นอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างนี้จิตใจเศร้าหมองจิตใจเป็นทุกข์ ต่อเมื่อเราเห็นความคิดของเราที่มันปรากฏเกิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดประเภทนี้มันไม่ได้มีโมหะมันไม่ได้มีโลภะมันไม่ได้มีโทสะมันปาราศจากสิ่งเหล่านี้มันก็สงบอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าจิตใจของเราออกจากที่มืดออกจากที่เป็นตมเป็นโคนได้นตัวจิตใจของเราหนานี่ว่าอารมณ์คือตัว จิตใจนั้นนะ่ะตัวนึกตัวคิดนั้นนะอยู่ด้วยอารมณ์ที่ไม่สุกปกนีก่ว่าจิตใจพ้นไปจากที่สุกป ก, ป ก, ปกมันไม่มีอะไรมาข้องแวะมันเข้าใจอย่างนี้ครับบันเนี้คือร่างกายของเราครี่ยมันต้องอาศัยการนั่งการนอนการอยู่การกินเสื้อผ้าต้องอาศัยการมานุงมาปกมาปิดและอาหารการสั่ต้องล่อเลีเ้ยงร่างกายผมเข้าใจอย่างนี้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 คือมันจืดทั้งหมดเลยครับคือมันเรียกว่ามันไม่มีอันใดตัวชีวิตของเราจริงๆนะครับตัวจิตใจของเราจริงๆรินะมันเป็นอย่างนั้นครับอันนั้นแหละคือความสะอาดอันที่เราพูดกันว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจปสงบนะครับจิตใจหรือชีวิตเนี่ยนะมันสะอาดอยู่แล้วครับคำวมาสว่างนี่ก็หมายถึงตัวอินทรีย์หรือตัวสติหรือตัวปัญญาหรือ จะพูดยังไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติครับไปเห็นไปรู้ไปเข้าใจไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าสว่างคือเรามองมือสวยนี่ครับมันทะลุไปนั่นเองวันนี้นนสงบปกหมายถึงโอทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีเรื่องที่เราจะไปสนใจเรื่องนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนนี้ ถ้าหากว่าเราศึกษาอย่างนี้ผมรับรองได้ว่าทุกคนต้องพกต้องเห็นทุกคนต้องเข้าใจจริงๆเรื่องนี้เพราะมันมีจริงๆในคนนี้ครับอันนี้แหละคือว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะจับสายจีวรของเราอยู่ก็ไม่เห็นเราซึ่ว่าไม่เห็นธรรมอันนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ครับอันนี้ทิปที่ของผมครับเห็นธรรมนั้นไม่ใช่ว่าไปเห็นดวงแก้ว ไม่ได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปเห็นพระพุทธรูปลอยเข้ามาเนี่ยผมไม่เข้าใจเรื่องนั้นครับแต่สมัยก่อนๆ น, น, นั้นผมเข้าใจอย่างนั้นผมผมไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องเข้าใจไปอย่างนะต่อเมื่อผมมารู้อายุสี่สิบหกปีครับผมเป็นโยมครับจึงว่าผมรับรองได้ว่าจะถือศาสนาไหนก็ตามจะนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามเป็นพระเป็นเนนก็ตาม เขียนหนงังสือเป็นก็นตามเขียนหนงังสือไม่เป็นก็ตามคนจนก็นตามคนรวยก็ตามนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอให้แต่ว่าเป็นคนเนี่ยไปแล้วกันครับมาปฏิบัติได้ถ้าพูดแล้วรู้เรื่องกันผมเข้าใจอย่างนั้นครับที่ว่าผมว่าศาสนาพุทธหรือคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มันไม่เหมือนกับที่เราเรียนมานั้นมันไม่เหมือนกับที่เราปฏิบัติมานั้นมันไม่เหมือนจริงๆครับแล้วมันก็เหมือนจริงๆริงแบบนี้ ทำมาว่ามันเหมือน่มันไม่มีทุกร ng, จริงๆครับอันที่เราสนใจกันนั้นคือเราไปสนใจกับเรื่องที่มันไม่ตรงครับคือเราไปสนใจกัน ô, ทำอย่างนั้นผิดทำอย่างนี้ถูกเราไปสนใจกับเรื่องนั้นเราไม่เคยมาสนใจชีวิตของเราคือเราไม่มาสนใจตัวจิตใจของเราจริงๆเนี่ยเราไม่เคยมาสนใจที่ตรงนี้เราก็เลยไม่รู้บบนี้เมื่อพูดอย่างนี้ก็สมมติพูดให้ฟัง คนทุกคนที่มันกินข้าวเป็นครับถึงมันจะไม่เคยรู้ว่าอันนี้เป็นข้าวมันไม่เคยดันมามันไม่เคยรู้จักว่าเม็ข้าวเปลือกเป็นอย่างไรเม็ดข้าวสารเป็นอย่างไรมันไม่เคยรู้จริงๆแต่เมื่อเอาข้าวมาให้มันกินมันกินเป็นมดทุกคนทีเดียวครับจะเป็นคนไทยก็กินข้าวเป็นจะเป็นคนจีนก็กินข้าวเป็นจะเป็นคนฝรั่งอังกฤษอะไรกินข้าวเป็นมดทุกคนทีเดียวครับแต่เมื่อเด็กๆนั้นมันไม่รู้เด็ก หลุจากพ้องแม่มาเนี่ยมันไม่รู้กินเข้าไม่เป็นเมื่อพอแม่หรือพี่เลี้ยงเนี่ยเอาข้าวให้มันกินต้องเอาซ้อนหรือเอาข้าวไปแตะใส่ปากมันมันจึงหันหน้าไปกินเมื่อมันกินเป็นแล้วนานๆเข้ามามันก็เลยรู้จักไม่ต้องเรียกมันเลยมากินข้าวไม่ต้องเรียกมันเลยมันหิ้วมันกินเองมันครับมันสําคัญเรื่องนี้ครับเมื่อมีความคิดขึ้นมาอย่างนี้น่ะมันเห็นมันรู้มันเข้าใจอันนี้ครับนี่ผมเข้าใจอย่างนั้นด้วยคนทุกคนน่ะมันกินข้าเป็น คนทุกคนเนี่ยมันจึงรู้ได้มันไม่ใช่ว่าคนไทยมีเงินมีทองจึงจะปฏิบัติได้คนไทยไม่ in, มีเงินไม่ in, มีทอง pequeña, จึงจะปฏิบัติได้มันไม่เป็นอย่างนั้นครับคนซัดได้ก็ตามไม่ถือศาสนาพุทธปฏิบัติไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆครับที่ผมกล้ายืนยันรับรองเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี้ครับผมกล้ายืนยันรับรองเอาชีวิตนี่แหละเป็นเดิมพันอันนี้ซื่งว่า ท ำ, ทำให้คำสอนของผู้รู้ก็ได้หรือจะมาทาให้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือว่าจะทำให้คำสอนของใครก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นคำสอนของบุคคลที่รู้จริงนั่นนะครับมันไม่ใช่เป็นคนรู้มาจากตำรับตารามันไม่ใช่เป็นคนรู้เรียนมาครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นความรู้จำมันเป็นความรู้สำนึกขึ้นมาภายในจิตใจครับ คันถ้า พ, พูดตามตัวหนังสือเขาว่ายานปัญญาก็ได้เนื้อปัญญาญาณก็ได้เนื้อว่าวิปัสสนาก็ได้เนี่ยเอาแล้วจะสมมุติพูดขึ้นมาก็ได้ครับเนื้อจะว่าไม่มีตัวไม่มีตนก็ได้เนี่ยมันพูดไปอย่างนั้นครับ <c oughs> มันนีกจะพูดว่ามีตัวมี ต, มตนก็ได้ ก, ก็กูรู้เนี่ยผมรู้เนี่ยสันรู้เนี่ยเนี่ยจะพูดว่ามีตนมีตัวอย่างนี้ก็ได้ครับมันสมมุติครับแต่ขอให้เราทุกคนปฏิบัติให้จริงจังแล้วผมเข้าใจว่า แน่นอนที่สุดครับชีวิตของคนนี่มันไม่มีทุกข์ครับท่านจึงมาอุเตคขาอุเตคขาอันอุเตคขาเนี่ยเราก็เอาหาว่าวางเสย ต, ต้องวางเสยที่อันตัวธรรมชาติตัวชีวิตของเราจริงๆนะครับมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปพูดว่าวางเสยก็ได้หรือจะพูดว่าวางเสยก็ได้อันนั้นแหละคือว่าชีวิตแท้ครับคนเกิดมาแล้วก็ได้รับลสอันนั้นแท้ๆคือไม่เสียที ไม่ขาดทุนศูนย์เป่าที่มาเกิดเป็นผนครับถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอย่างนั้นมันก็เลยไม่พบกับของสิ่งนั้นเราก็เลยไม่รู้กับของสิ่งนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้ลดซารสิ่งนั้นอันนี้แหละลดซาดสิ่งที่มีเงิน 100, 000, 000, ลอยล้านพันล้านไปกื้อก็ไม่ได้แม้จะไปนั่งหลับตาอยู่นั้นถ้าหากว่าเราไม่ปรากฏมันก็ลดซาดอันนั้นก็ยังไม่มีบัดนี้คนไม่มีเงินแม้สตางเดียวก็ตาม เขาได้รับลดสั์อันนั้นเขาอาจจะมีความสุขเนื้อบุคคลผู้ที่มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ได้ครับแต่ตรงกันข้ามเลยครับบัญ น, นี้คนที่มีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าหากว่าไม่ได้รับรลดสั์อันนี้ก็เืียว่าขาดทุนศูนเป่าในชีวิตนี้ครับบัตรนี้บุคคลที่เป็นนั่งหลับตาก็ตามไม่หลับตาก็ตามเป็นนั่งอยู่นั่นแหละครับหากว่าไม่ได้รับลดสั์อันนี้ก็ไป็นนังประโยชน์อันใดมันได้ประโยชน์อันใด มันก็เลยขาดทุนศูนเปล่าอันนี้บุคคลที่ไม่ต้องนั่งก็ได้ไปไหนก็ได้แต่บุคคลผู้เช่นนั้นและรับรสชาตอันนี้ก็ซื่งว่าคนนั้นแหละมีกําไรชีวิตมีกําไรจิตใจจริงๆครับอันนี้ครับอย่างว่ า, าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทุกข์ครับคําว่าพระนั้น่ะแปลว่าคนไม่มีทุกข์เท่านั้นเองครับคนใดยังมีทุกข์อยู่อันนั้นยังไม่ได้เป็นพระแท้ครับแต่เปลี่ยนไปเปงพระอสมมติ คือสมมุติมันจึงมีมากครับอันสมมุติพูดเนี่ยผมกำเลยไม่มีอะไรจะาพูดเรื่องสมมุติเนี่ยให้ฟังครับแต่เราไม่ไปนสนใจนะครับเราต้องปฏิบัติทําความรู้สึกครับมันเป็นวิธีง่ายๆรัดๆครับเราไปไหนมาไหนทําความเข้าใจหรือให้มีสติกําหนดรู้การเคลื่อนไหวรูปกายเหล่านี้หรือร่างกายเหล่านี้ครับมันพิบตา ก, กะรู้มันหายใจกะรู้มันคิด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 ไม่รู้การเคลื่อนไหวของงมันก็ไม่มีประโยชน์ครับแต่บุคคลไม่เคยรักษาศินก็ตามครับแต่มันกำหนดรู้การเคลื่อนไหวอันไดก็ตามคิดตามันก็รู้หายใจมันก็รู้มันคิดมันก็รู้มันก็มีประโยชน์ครับดังนั้นความจริงแล้วมันมีอยู่ที่เราครับอันคนสงบนั้นมันมีอยู่ที่เราเราต้องสงบแล้วจึงจะไปสอนผู้อื่นให้มีความสงบได้ครับ ไม่ใช่ไปเดาๆเอานะครับไม่ใช่เป็นนึกไปคิดหอกผมจึงกล้ารับรองเอาชีวิตนี่หลเป็นเดิมพันครับอันนี้มันก็เลยคล้ายๆ ค, ค, ค, คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยสอนเอาไว้เสียสละกเงินเสียสลากทองนั่นน่ะคือเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะต้องเสียสลากซับเพราะรักษาอาวัยยาวะเป็นว่าคือเราต้องการอยากให้อายยาวะเรานี่สมบูรณ์ครับเป็นว่าเสียสละกซับเพราะรักษาอาวัยยาวะ บัดนี้ยอมเสียสละอวัยะวะคือร่างกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งมันเป็นบาดเป็นแผแลเราก็ต้องตัดทิ้งเพราะเราไม่อยากตายครับอ่ามันเป็นปัญญยะวะเสียสละอวัยะวะเพราะรักษาชีวิตบัดนี้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความจริงความสงบอันนั้นแม้นคนอื่นหาว่าเราพูดผิดเขาจะเอาเราไปฆ่าก็ได้ครับหรือจะว่าเสียสละชีวิตเพราะรักษาสัจธรรมก็ได้เพราะมันมีอย่างนั้นครับ แต่ไม่ต้องรักษาครับเรื่องนี้แต่เรายอมเสียสลาดได้ครับเพราะต้องการทุกคนเลครับสิ <languages> ่งนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าทําการทํางานเพื่อหน้าที่ดังนั้นจึว่าไม่จํากัดครับทําการทํางานเพื่อหน้าที่หน้าที่ของเราอะไรหน้าที่ของเราคือเรารู้อันนี้เราเห็นอันนี้เราเข้าใจอันนี้เรามีอันนี้เราต้องเอาอันนี้ไปพูดเราต้องเอาอันนี้ไปเว่าให้คนฟัง คนที่ยังไม่เคยได้ยินเขาจะได้ยินคนที่ไม่เคยรู้บางทีอาจเขามีปัญญาอาจจะรู้ได้อย่างที่เราพูดกันหรือผมก็เคยพูดอย่างนี้มาว่อดอกไม้เนี่ยจะบานได้ต่อเมื่อมีแสงตะเวนหรือแสงแดดหรือแสงอันใดก็ตามแ้ะมีความสว่างเข้ามาแล้วมันบานได้คนเราก็เหมือนกันครับถ้าหากมาได้ยินสิ่งแปลกๆเข้ามาแล้วมันกระซับเข้าในหู มันสามารถที่จะเอาไปคิดได้ครับเรื่องปัญญาของคนมันไม่เหมือนกันครับมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคำว่าการตัดสู้หรือรู้ธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นจริงว่าไม่จำกัดวันเวลาครับจะเป็นเวลาเส้าก็ได้จะเป็นเวลากลางวันก็ได้หรือจะเป็นเวลากลางคืนก็ได้หรือจะเป็นเวลาเย็นก็ได้ไม่กำหนดกฎเกณฑ์เลยครับเรื่องนี้ไม่กาหนดจริงๆครับ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 ไปเพนบ้านผมเรียกว่าไปเพนครับไปส่งอาหารภาคกลางวันได้อเ น, นสงศิกลับกลับนึงผมก็ไม่รู้สมัยนั้นผมไม่รู้จริงๆมีแต่ครูบาอาจารย์ว่าให้ฟังและตัวหนังสือมันว่ายจยางนั้นความจริงแล้วเนี่ยครับอันมีสติสมบูรณ์นี่แหละครับมนันเต็มกับมันเต็มกับคือพลิกไหวพลิกตาหายใจมันนึกมันคิดมันรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้มันสมบูรณ์ครับอันนี้เดี๋ยวมันเต็มครับ เมื่อมันเต็มมันสมบูรณ์เนีส่สิมันก็เลยปรากฏขึ้นมาเหมือนกับเม็ดข้าวเนี่ยเม็ดข้าวเปลือกนี่ครับเม็ดข้าวเจ้าก็ตามข้าวเหนียกก็ตามเอาไปเพาะลงในดินนี่ครับเมื่อมันสมบูรณ์แล้วมันงอกขึ้นมาคนเดียวมันไม่ต้องมีเรื่องอะไรครับอันนี้แหละที่ว่าผมมันไม่ใช่ว่าจะไปจําเอากับคาพูดคนนั้นไปจําเอากับคําพูดคนนี้ผมไม่จําจริงๆเดี๋ยวนี้ครับแต่ก้อนให้ผมจําครับอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากพูดเป็น ความจริงแล้วการพูดอย่างนี้มันไม่ต้องไปหาเอาคำพูดของใครเอาคำพูดของตัวเองเราต้องรับรองคำพูดตัวเองได้มันต้องเข้าใจอย่างนั้นครับอันนี้ผมพูดความจริงอันนี้ทิศทีของผมครับหรือจะหาว่ามันผิดแล้วก็แล้วไปจะหาว่ามันทุกแล้วก็แล้วไปผมไม่ได้องสงสัยใครจะพูดว่าผิดก็ได้ใครจะพูดว่าทูกก็ได้เพราะว่าผมเข้าใจอย่างนี้ผมว่าผมไม่มีทุกข์ก็แล้วกันคนอื่นจะมีทุกข์ก็แล้วกัน แต่หากว่าทุกคนไม่ต้องการแล้วผมทุกเนยต้องควรศึกษาและปฏิบัติเพราะชีวิตจิตใจของคนมันมีครับมันมีชีวิตมันมีจิตมีใจมันมีกมมมมายคนไทยก็มีอย่างนี้คนจีนก็มีอย่างนี้คนฝรั่งอังกฤษคนคาเมนคนยวนคนลาวมีเหมือนกั น, นทุกคนทีเดียวครับทุกชาติทุกภ า, าษาเรื่องนี้ครับมันไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ถือศาสนาใดก็มีลมหายใจ แล้วก็มีซื้อ ก, กินข้าวเป็นแล้วก็นุ่งห่มผ้าเป็นมันจึงไม่กําหนดกฎเกณฑ์คําสอนของท่านผู้รู้นี่ยครับจีว่าแม่พระพุทธเจ้ารู้มาก็ได้เมื่อจีว่าผู้รู้ก็ได้จีว่าใครรู้ก็ได้ครับเพราะมันมีในคนเนี่ยครับเราก็ควรศึกษาเอาให้มันถูกอย่างนี้เราเคยได้ยินว่าทำที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าครับยิ่นถ้าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมันมีชีวิตมันมีจิตมีใจมันมีกายเราก็ต้องศึกษาที่ตรงนี้สิครับ เมื่อเราไม่ศึกษาที่ตรงนี้มันจะถูกที่ไหนครับมันก็ไม่ถูกแล้วครับอันนี้พูดผมจริงครับอันนี้ผมกล้ารับรองได้ครับในชีวิตของผมเนี่ยผมกล้าอย่างนี้ครับผมกล้าจริงๆเรื่องนี้ผมจึงไม่เชื่อใครทั้งหมดเลยในโลกเนี้ไม่เชื่อเลยแม้พระพุทธเจ้าหะมาเนี่ยมันพูดไม่ถูกแล้วเธอผิดแล้วเป็นมิจฉาทิสติแล้วเป็นะปรเรื่องของคนนั้นพูดเองผมไม่ได้เป็นมิจฉาทิสติกับคนนั้นเนีผมไม่ได้เป็นสัมมาทิสติกับคนนั้นผ ม, มเป็นมิจฉาทิสติเพรผมเอง ผมเป็นสัมมาทิฏฐิเพราผมเองเพราะผมรู้อย่างนี้เมื่อคนนั้นพูดว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิผมก็ยอมรับว่าผมเป็นมิจฉาทิฏฐิคนนั้นมาพูดว่าท่านเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วผมก็ยอมรับว่าผมเป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองคือไม่ยอมรับเอาคําผิดจากที่เราเห็นแจ้งรู้จริงนี่แหละออกไปได้อันนี้ <Okay. S 1> เนี่ยวะเราเห็นแจ้งเรารู้จริงเราเข้าใจมันไม่ใช่เป็นรู้จํามันรู้แจ้งรู้จริง มันเห็นแก่มันรู้จริงครับอันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงว่าทิศที่ของผมมันเป็นอย่างนี้ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าพอสมควร